เพื่อพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าให้พุ่งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะทำใจให้สงบนี่แหละความมุ่งหมายก็ไม่มีอะไรการที่จะทำใจให้สงบได้ ก็าอาศัยสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาที่กายที่จิตสัมปชัญญะมารู้ว่ากายตั้งอยู่อย่างไรจิตตั้งอยู่อย่างไรต้องมากำหนดรู้นี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจิตตั้ง ตรงแล้วหรื อ, อยังนี่ก็ต้องพิสูจน์อีกทีนึงจิตจะตั้งตรงได้ก็เพราะอาศัยสยติ <c oughs> <c oughs> อาใัย ส, ยสยติเข้าไปควบคุม <c oughs> เพราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องซ้ำเนียกไม่ฉะนั้นเราก็ควบคุมจิตไม่อยู่จิตเมื่อไม่มีสติควบคุมแล้ว มันก็จะส่งไปข้างนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาของมัน่ะแม้แต่นอนหลับไปมันก็ยังฝันไปมันฝันไปมันคิดไปแต่มันไม่มีสติควบคุมมันจึงฝันไปสารพัดสารพีใจยึดถืออารมณ์ไว้ได้ไว้เมื่อก็ฝันเป็นภาพในอารมณ์นั้นละไป <c oughs> อย่าว่าอย่าว่าแต่ตื่นอยู่เลยแม่แต่นอนหลับไปมันก็ยังคิดจิตนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจึงต้องมาฝึกมันให้มันส ง, งบลงให้มันหยุดคิด ทำยังไงมันจะหยุดคิดเราก็ทำลงไปเพราะมันไม่หยุดคิดสักทีนี่แหละมันจึงไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสป่าประธรรมแม้แต่ส่วนหยาบๆฟีีก็ละไม่ได้บางคนนะ <c oughs> ถรานไม่ทำจิตให้สงบได้สักทีนั่นแนะ่ะมันก็จึงละกิเลสส่วนหยาบๆยาบก็ละไม่ได้ไม่ว่าแต่อย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็ยังละไม่ได้ทุกคนให้พึงพากันตื่นตัวว่าเรา ยังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่ก็หมายถึงอารมณกิจนั่นแหละก็ยังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่คนไม่ตื่นตัวกันนี่เี่ยส่วนมากนะนึกว่าตนมีอิสระเสรีอยู่เต็มที่มันจะมีอิสระเสรี อย่างไรโลกนี้ทั้งภายนอกภายในอะ่ะไม่มีรอกภายนอกอย่างนี้ก็ต้องมีกฎกฎหมายครอบคุมอยู่ตลอดเลยะแะถ้วใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกลุมฟ้องร้อง คิดจริงก็ติดคุกติดตารางไปหมู่นั้นนะมันจะมีอิสระโดยชอบใจได้อย่างไรเพราะโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่แม้ จ, จิตใจก็เหมือนกันนะมันมีอิสระอยู่ได้ที่ไหนอะเส็นอยากพ้นทุกข์อย่างนี้นะ แต่ไม่พ้นสักทีเพราะกิเลสมันน่วงไว้กิเลสมันครอบคุมอยู่จะหนีออกจากทุกข์ก็หนีไม่ได้เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองมันครอบคุมประชาชนแต่ละประเทศอยู่นั่นแหละ อาจจว่ามันแตกต่างกันว่ากิเลสตัณหาเนะี่ยมันควบคุมหรือว่ามันจูงจิตจูงใจให้ไปทําความชั่วมากกว่าทําความดีเนีย่ยแตกต่างกันตรงนี้อันกฎหมายจะบังคับให้คนทําดีแบบนี้กิเลสตัณหามันบังคับให้คนทําชั่วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนตรง ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้แล้ว่าตนเป็น่าตแห่งกิเลสตัณหาคูณนั้นแล้วก็จะไม่ประมาทในการทำความเพียรภากเพียรพยายามขจัดกิเลสตัณหานั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ กิเลสดีมันยังไม่ฉลาดเรื่องมันนะเมื่อมไม่ฉลาดแล้วมันก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสบาปรธรรมไปวันยังค่ําแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกใจให้สงบอยู่นี่ก็เพื่อจะได้ให้มันเกิดปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วมันถึงจะถอนรากของกิเลสตัณหาบาประธรรม ออกจากกิจนี้ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วไม่มีทางแ่ะขนาดเพียงแค่สมาธินี้ก็ยังถอนรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสตัณหาออกไปไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงข่มมันไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองค<ม>ั้นเมื่อสมาธินี้ถอน เวลาใดกิเลสมันก็ลุกขึ้นเวลานั้น อ, อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อทาจิตให้สงบลงไปแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยแต่ทีแรกมันก็ต้องทาจิตให้สงบก่อนนั่นแหละเมื่อจิตสงบไปพอสมควรแน่ใจว่าจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้ก็เริ่ม จเจริญปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะหัดคิดหัดพิจารณาเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่เฉยๆเนะ่ยมันมันไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความคิดนั่นแหละแต่ว่าความคิดอันนี้มันเกิดมาจากความสงบใจ ไม่จะคิดตามตำราไปเฉยๆทำใจให้สงบลบอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตให้หมดไปจา ก, กจิตใจก่อนอเมื่ออารมณ์ที่มันทำให้ใจคลูอยู่นะั้นมันระ ง, งับไปหมดแล้วจิตใจมันก็รวมลงได้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ได้มเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่ได้เนี่ยก็ พิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในอ น, นั้นเลยนะเดืองมานะเพราะว่ากระแสจิตที่มันสงบอยู่นั้นมันผ่องใสมันไม่มัวหมองแล้วปัญญามันก็เกิดจากกระแสจิตที่ผ่องใสนั่นแหละให้เข้าใจถ้าผู้ใดใจมัวหมองอยู่มากกลัวจิตใจผ่องใสอย่างนี้ผู้นั้นไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเท่าไรหรอก ถึงมีก็เรียวว่าเป็นปัญญาโลกีปัญญาหมุนไปตามโลกสุดแล้วแต่โลกเขาจะนำไปอย่างไรก็ไปตามนั้นอันนี้เดียวว่าเป็นปัญญาโลกีเราจะมาบำเพ็ญแต่ปัญญาโลกีอยู่อย่างเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่พ้นทุก์ได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจให้สงบลงไปก่อนนั่นแหละเมื่อใจสงบจากบาปอากุศลธรรมต่างๆแล้วตอนมื่อนั้นน่ะก็จะค่อยหัดคิดหัดพิจารณาเช่นอย่างว่าขันห้านี่มันเกิดมาได้อย่างไรอย่างนี้นะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งขึ้นเมื่อเราวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะ <c oughs> ปัญญานี่นเนี่มันก็จะชี้แจงให้จิตใจได้ทราบชาติความเกิดก็ได้แก่ขันห้านี้มันเกิดขึ้นมา เอเทมันจะมีชาติความเกิดก็เพราะมันจิตใจนี่เนะี่ยมันมีอวิชชาตันหาหุ่มห่ออยู่ mm. เมื่ออวิชชาตันหานี้มันหุ่มห่ออยู่แล้วมันก็สวงหาที่เกิดกันนะ mm. เป็นอยังไง <c oughs> มา น, นี่ถ้าหากว่าผู้ใดได้บำเพ็ญบุญกุศล มาแต่ชาติก่อนมากหรือน้อยบุญกุศลอันนั้นแหละก็จะนำจิตวิญญาณอันนี้ให้มาเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นตันหาฝ่ายดีก็ยังนับว่าพอแชรได้อยู่ บุคคลรู้จักใช้ตัณหาเป็นมันก็เป็นเหตุให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในจิตใจนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ตัณหาอันใดที่สามารถละชั่วทำดีได้ตัณหาชนิดนั้นมันประกอบไปด้วยปัญญามันสอดส่องมองเห็นได้เลย ว่าความประพฤติเป็นอยู่ทุกวันนี้มันประพฤติไปในทางเป็นโทษหรือทางเป็นคุณอย่างนี้นะก็ต้องกำหนดรู้ว่ารูว่าตัณหานี่มันสักจจจูงใจให้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นโทษ ไม่ได้เป็นคุณเช่นอย่างว่าใช้มันฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมูสาวาดดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดนี่เรียกว่าตันหาที่มันมีอวิชชาเป็นผู้กํากับไปตันหาที่มันมีปัญญากรรมกลับไป มันให้อยากไปในทางที่ดีอยากทำบุญให้ทานอยากสงเคราะห์เกือ้อกูลผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้นะแล้วอยากทนุกบำรุงท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมีมารดาบิดาอุปชฌาอาจารย์ ลุงป้าหน้าอาพี่ชายพี่สาวเหล่านี้ก็สำคัญนะพอได้ช่วยแม่ช่วยพ่อเลี้ยงลูกมาก็าต้องให้ถือว่าเขามีอุปการะคุณต่อเราไม่ใช่น้อยสำหรับพี่สาวก็ดีพี่ชายก็ดีมันนี้นะเรา หาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วเราก็อนุเคราะห์หรือว่ า, อาตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุป ก, การะคุณทั้งหลายดังกล่าวมานะั้นนับแต่มารดาบิดาเป็นต้นไปนั่นในเรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องคิดทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั่น ถึงได้เป็นโทษแล้วจกไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยอันนี้เนยถึงแม้ว่าเราจะละตัณหายัางไม่หมดแต่ก็ขอให้ตัณหานั้นมีปัญญาประกอบไปควบคุมไปในว่าปัญญาควบคุมความอยากของจิตใจก็ว่าได้ เมื่อตัณหาความอยากอ น, นี่หากมีปัญญาควบคุมแล้วมันก็จะดำเนินกายวาจาใจนี้ไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนั่นแหละเส้นควบคุมให้จิตใจนี้มันจะเรินเมตตาการุณาทุกวันทุกคืนไป แห้เพ่งพิจารณาดูนับตั้งแต่ตัวเขาตัวเองนี่แหละไปจนตลอดถึงบุคคลอื่นและตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่งตางๆที่เกิดอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยใครมีความปรารถนาอะไรซึ่งเป็นความปรารถนาที่เดียวกับเป็นพื้นฐาน น, ะนี่ะแน่นอนแหละต้องตอบตัวเองได้เลยว่าตนก็ต้องการความสุข บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการความถูกเหมือนกันหมดตนก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความทุกข์แม่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกัน <c oughs> นี่คําว่าเมตตาตนเมตตาบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็ต้องรู้จักคุดประสงค์ซะก่อน <c oughs> ข้อสาคัญก็ตนแหละ ทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขได้ความสุขในที่นี้หมายถึงความสุขกายสุขใจ <c oughs> ทําอย่างไรสุขภาพอนามัยของร่างกายนี้มันถึงจะมีเมื่อมีสุขภาพอนามัยทางร่างกายดีแล้วเราก็สามารถที่จะประกอบกุศลขุนงามความดีสร้างความเจริญให้แก่ตนได้ ทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปนี่ลำเลีนนยงเนี่ยก็พยายามหาทางบำรุงร่างกายนี้ให้มันแข็งแรงการที่บุคคลจะบำรุงร่างกายนี้ให้แข็งแรงได้มันต้องเว้นจากสิ่งที่มันทำลายเซนในร่างกายนี่เช่นของเสพติยโทษต่งางๆสุราเมลัย เครื่องรองของเมาทุกชนิดล้วนแต่เป็นเครื่องริดรอนสุขภาพอนามัยของร่างกายให้สุดรมไปทางนั้นแหละผู้ใดเป็นผู้ไม่เห็นโทษของมันเราไปซ่องเสพมันไปพอใจในรสชาติของมันอย่างนี้นะธรรมดาของเสพติดนี่เมื่อมันเสพ ม, มากๆเข้าไปแล้วมันติด เมื่อติดแล้วส่องเจ็บน้อยไม่ได้ต้องเอามองมากเมื่อเอามากเข้าไปแล้วฤทธิ์ของเมาต่างๆเล่วนี่มันก็ไปทำลายอาวัยวะภายในให้เสื่อมโทรมลงไปนั่นบุคคลผู้นี่เรียกว่าเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองไม่ใช่สแสวงหาความสุขทางกายให้แกต่ตน อย่าผู้ต้องการความสุขทางกายอย่างว่านี่ของสิ่งใดมันแสลงมันจะทำลายสุขภาพของร่างกายก็อย่าส้องเศพมั น, นอย่าบริโภคมันเช่นอาหารบางอย่างซึ่งมันแสงลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะนก็อย่าไปรับประทานมันเลยอดกั้นทน ท, นทานต่อความอยากให้ได้ ถ้าระมัดระวังเรื่องอาหารไม่มันสแสลงกับกระเพาะลำไส้อย่างนี้แล้วมันก็ร่างกายนี้ก็เป็นปกติเป็นอย่างนั้นมีกำลังดีสามารถจะประกอบธุรกิจการงานทางทางโลกทางธรรมได้ถ้าใครไปเชื่อแต่กิเลสตัณหาโดยส่วนเดียว เชนนั้น้ะก็นั่นแหละก็จะตัดทอนสุขภาพอนามัยทางร่างกายให้สำรุดสุดโทมไปทำกุศลคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้ข้อนี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อกันบำเพ็ญฝึกขนอารมณ์จิตใจได้เหมือนกันร่างกายนี่นะดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากัน เว้นจากสิ่งที่มันเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายดังกล่าวมานั้นบางคนถูกตันหาครอบงำจิตใจมากมายทำการงานหามรุ่มหามคำ่ำไม่มีเวลาพักผ่อนเช่นนี้แล้วก็นั่นแหละก็เป็นการตัดทอนสุขภาพทางร่างกายให้เสื่อมโทรมลงไป เหมือนอย่างเครื่องยนต์นกลไกต่างๆพวกนั้นนะ่ะถ้าใช้งานมันเกินขอบเขตแล้วมันก็ชำรุดเร็วอย่างนั้นเนะ่ะร่างกายนี่ก็เหมือนกันเนะ่ะถ้าถาว่าเกียดคลานเกินประมาณไม่ทำการงานอันหนักหนากลัวแต่นเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ดีเหมือนกัน ไม่ออกกำลังกายร่างกายนี่มันก็อ่อนเพลียสุดโทมลงไปได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าทาการงานเกินขอบเขตมันก็สุดโทมได้เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นละ่ะก็ต้องเดินทางสายกลางแหละความบําพ็ญทางกายนี่ก็ดี <c oughs> ทีนี้เมื่อบารุงสุขภาพทางกายให้เป็นปกติดีแล้วอย่างนี้ล้วก็ อาศัยกายนี่แหละมัห น, นีมาฝึกฝนอบรมจิตโดยการนั่งสมาธิภาวนานี่นั่งกายให้ตรงดำรงสติให้เฉพาะหน้าเลยเหมือนความว่าสติไม่ละลึกไปที่อื่นละลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่โดยเฉพาะเลย เรียกว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุให้จิตใจสงบลงไปได้เพราะว่าอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตอยู่เสมอไม่ปล่อยให้จิตนี่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ต่างๆ ที่น่ารักน่าชังในโลกนี้มีสติสมบัตินี่ยควบคุมไว้มีขันติเป็นเครื่องรองรับอดไม่คิดไปตามเรื่องราวที่ชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้นะ <c oughs> เมื่อหากว่าทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตน คิดอยากจะถอนตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปถ้าใครไม่ทำความเพียรฝึ ก, กจิตใจหรือฝึกกายอย่างที่ว่ามานั้นน่ะก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนเป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไปสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้เลยไปแนะนาสั่งสอนผู้อื่นไม่ได้ ในเมื่อตนก็ยังทำไม่ได้แล้วมันจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไร <c oughs> อันนี้แนหะควรคิดกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ชักจูงผู้อื่นให้ละทิ้วทาดีได้ตนก็ต้องเพียรพยายามละชั่วทำดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเสียก่อน จนว่าผลแห่งความดีนั่นวันว่าปรากฏอยู่ในใจเนี่ยใจเป็นสุขสบายมีสติมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้นมามองเห็นช่องทางแห่งความพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าทำใจให้ได้อย่างว่านี่ละทำกายให้ได้อย่างว่านี่ แล้วมันก็สามารถแนะนำชักจูงผู้อื่นให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำเพื่อให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั่นได้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าก่อนที่จะเมตตาผู้อื่นได้มันต้องเมตตาตนถ้าก่อนเมื่อตนดับทุกข์ได้แล้ว ก็จิงสอนให้ผู้อื่นดับทุกตามนี่การดับทุกขมันก็เรียกว่าดับมาเป็นขั้นๆดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อ, อยู่นั่นแหละดับทุกที่จะพาไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่นี่เบื้องต้นทีเดียวเลยแหละหรือว่าดับเหตุก็ว่าได้ดับเหตุแทงทุกที่ จะพาให้มันไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิต่างๆดังกล่าวมานั้นก็ดับตันหาส่วนห ย, ยาบๆนั่นแหละคำว่าดับทุกข์ส่วนหยาบนี่นะดับตันหาความอยากไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตาย ตัณหามันอยากให้ได้สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนแล้ววางแผนไปลักไปช่อโกงขี้ปล้นเอามาอย่างนี้นะด้วนแต่ตัณหาเป็นบาปทั้งนั้นแหละหมู่เนี้ย <c oughs> ตัณหาความอยากประพฤติผิดในการทั้งหลาย พูดง่ายๆว่าตันหาอยากไปท่องเสพกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีนั่นแหละตันหาประเภทนี้พาให้เป็นบาปตันหาอยากกับให้ไปพูดหลอกลวงช่อกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตอนอันนี้ก็เป็นตันหาเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเหมือนกันตันหา ที่มันอยากให้ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษทุกชนิดนี่เป็นปัญหาข้อสุดท้ายตัญหาประเภทนี้ร้ายกาจมากเพราะว่าเมื่อบุคคลส่องเสพของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นมากเข้าไปเข้าไปแล้วก็ เงินทองมีอยู่เท่าไรก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นของแพงต้องซื้อมาในราคาแพงกลัวว่าตนจะได้บริโภคของเหล่านี้นะนั่นแหละมันให้โทษทางด้านวัตถุภายนอกก็ให้โทษมาแล้วทำให้เงินทอง ชิบหายไปโดยไม่ปีประโยชน์อะไระเพราะว่าของเรานี้มีแต่มึนใตเมาอยู่อย่างนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่แหละคำว่าดับเพลแทงทุกข์อย่างยาบก็ดับตัณหาประเภทเหล่านี้เองเนี่ย ถ้าว่าผู้ใดดับตัณหาดับเพตุแห่งทุกข์อย่างงับนี่ได้แล้วมันก็ยังเหลืออยเหตุแห่งทุกข์อย่างกลางคือนิวรณห้าอันนี้ทุกคนต้องเพียรพยายามละนิวรณห้านี้ให้ได้อย่าให้นิวรณห้านี้ครอบงากายครอบงำจิตใจของตนเอง ให้มันมัวหมองม น, นั่นแหละการละนิวรณ์ทั้งห้าอันนี้ได้มันก็ต้องอาศัยจิตนี่แหละเข้มแข็งถ้าว่าจิตอ่อนแอแล้วไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตอ่อนแอแล้วมันก็ถูกนิวรณ์ห้าในครอบงําได้จริงๆนะ เช่นโอนเอไปตามความรักโน้มไปตามความไปหาความชังอย่างนี้นะเมื่อถูกความว่วงเหาหาวนอนครอบงามันก็อ่อนพับไปเลยอย่างนี้เมื่อจิตมันฟุ้งสัน้นยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นผักดันจิตให้คิดสั้นไปทั่วพิภพ ไม่สามารถจะหักข้ามจิตใจตัวเองได้เลยนี่เดีวว๋ยวใจมันอ่อนแอเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็ใจก็โน้มไปในทางที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ดังกล่าวมานั่นนหะ เพราะฉะนั้นนะให้เพิ่งพากันเข้าใจ